ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูตธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงเทวทูตสุรหรือเทวทูตสุดในมันชฌิมนิกายมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมืออ่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันกรุงสาวัตถี ในวันหนึ่งได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันแล้วก็ได้ทรงแสดงว่ามันเหมือนกับบ้านเรือนที่มีสองหลังอันหน้าเข้าหากันมีชานอยู่ตรงกลางคนที่ยืนอยู่ตรงกลางชานนั้นจะสามารถมองเห็นคนที่เข้าไปเข้าออกในเรือนระหว่างเรือนทั้งสองได้ ชัดเจนฉันใดพระองค์เองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉชนนั้นพระองค์สามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือจักษุ ข, ของสามัญมนุษย์มองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กำลังจุติกำลังอุปบัติอยู่ในสถานที่เหล่านั้นและรู้ได้อย่างชัดเจนถึงกรรม ที่เป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นได้อุบัติในพบนั้นนั้นเนว่าสัตว์บางพวกได้กระทาทุจริตทางกายทางวาจาทางใจตีเตียนพระอริยเจ้ามีความเห็นเป็นมิจฉาทิจิตายแล้วก็ไปบังเกิดในนรกกติวินิบาตอสุรกายคนบางพวกที่ทำบุญ ด้วยกายวาจาใจคือประกอบสุจริตด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้ายินดีในการให้ทานจำแนกทานรักษาศีลมีความเห็นเป็นสมาธิิเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ดังนั้นพระองค์จึงอยู่ในฐานะที่จะประกาศบอกกล่าวแก่คนทั้งหลาย ตามความเป็นจริงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงรู้เห็นด้วยที่ประจักษ์สุขอมบริสุทธ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ในชี้แจงถึงคนผู้ทำบาปทำบุญในผลแห่งบาปแห่งบุญได้ส่งให้เขาไปอุบัติังเกิดในที่นั้นๆตามสมควรเกจกรรมของเขาแล้วทรงแสดงว่าบุคคลผู้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ทีเตียนพระริจ้ามีความเห็นผิดเป็นต้นเมื่อตายไปแล้วย่อมไปสู่สำนักของพญายมจึงทรงอุ ป, ปมาณนกว่าเป็นเหมือนกระหลุมฐานเพลิงคือหลุมที่บุคคลใส่ฐานเพลิงเข้าไปคนที่ตกไปในสถานที่นั้นก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แล้วเมื่อคนผูก้กระทำบาปโดยกายหรือวาจาใจดังกล่าวแล้วนั้นตายไปยมมาทูตก็จะนำบุคคลนั้นไปสู่สำนักของพระยายมและชี้แจงโทษความผิดให้พยายมได้ทราบเมื่อพยายมได้ทราบแล้วก็มีจิตคิดอนุเคราะห์ต้องการที่จะให้มีบุญกุศลอะไรเข้ามาช่วย สัตว์เหล่านั้นไม่ต้องประสบความทุกข์ในนรกหมกไหม้ในนรกก็จะรับสั่งถามว่าในขณะที่เธอเป็นมนุษย์นั้นเธอเคยพบเห็นเทวทูต ท, ที่หนึ่งบ้างไหมเ้าก็บอกว่าเทวทูต ท, ที่หนึ่งนั้นคืออะไรเขาไม่รู้ญาญมก็จะให้สติว่าเธอเคยเห็นเด็กที่คลอดใหม่ๆซึ่งตัวยังแดงอยู่ผิวยังบางอยู่ ตุวความรุนแรงยาอากาศภายนอกก็ย่อมเจ็บปวดรวดร้าวร้องให้บางครั้งก็แปดเปื้อนอยู่ในมุดคูดเป็นต้นนั้นเคยเห็นบ้างหรือไม่ท่านก็บอกว่าเขาเคยเห็นเยอะไปเคยเห็นแล้วคิดยังไงท่านเคยคิดไหมว่าเมื่อท่านได้เห็นภาพเหล่านั้นท่านก็เป็นวินโยชนเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถคิดสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้แล้วเคยมองเห็นไหม บ้างหมายว่าตนเองในคราวหนึ่งในสมัยหนึ่งเคยประสบอาการอย่างนั้นการเกิดการอยู่การอยู่ในคันการเกิดออกจากคันและการที่เป็นทารกนั้นมีแต่ความทุกข์และจิตสานึกที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์แม้ด้วยการปฏิบัติสุจริตทางกายทางวิจารใจเคยเกิดขึ้น ภายในใจของท่านเธอเคยแสดงออกบ้างไหมถ้าเขามีก็บอกว่ามีแต่ในกรณี้ก็พูดถึงเทวทูตเขาก็บอกว่าไม่มีเราะในขณะนั้นก็มัวมอประมาทอยู่พยายามจะถามใหม่ว่าเทวทูตที่สองนั้นเธอเคยเห็นบ้างไหมก็บอกไม่ทราบไอ้เทวทูตที่สองมันคืออะไรพระยามก็จะบอกให้ว่าเธอเคยเห็นคน คนแก่ที่มีอายุ 80-90 ร้อย20มีสังขารงอกเงินเงินมีผมเหี่ยว ม, มีหนังเหี่ยวผมผมงอกฟันหักหลังหลังโกงเป็นต้นเคยเห็นบ้างหรือเปล่าแกบอกว่ามีแย่ไปเคยเห็นมาก เ, เห็นแล้วคิดยังไงในฐานะที่เธอตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นวินจุชนแล้วเคยคิดถึงยังไงบ้างเคยคิดว่า ท่านผู้นี้ได้ผ่านการเวลาของชีวิตมานานกำลังกบังถูกความแก่ความคร่าคร่าเข้าครอบงําในขณะนี้วิญญามือเท้าก็ไม่สามารถควบคุมบังคับอัญชาได้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ทุ่งพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะที่เราจึงมีเรี่ยวแรงความเพียรพยายามอยู่นี้จะรีบเร่งทําความดีบ้างไหมเคยคิดบ้างไหมท่านบอกว่าไม่ได้คิดมันลืมมันประมาทไปพยายมก็จะถามใหม่ว่า เคยเห็นเทวทูต ท, ที่สามบ้างไหมเราก็บอกไม่รู้ว่าเ ท, เทวทูต ท, ที่สามนั้นคืออะไรแล้วก็ทรงแสดงว่าเทวทูต เ, เธอเคยเห็นคนเจ็บป่วยที่ประสบความทุกข์ทรมานถูกโรคภัยเหล่านั้นเสียแทงบางคนก็มีร่างกายหมักม ม, มด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆเป็นนันมากมีแผลเปือยหน้าบุพพองเป็นต้นก็วันานาโรคออกไปท่านบอกว่าอย่างนี้เคยเห็น เห็นแล้วคิดยังไงท่านบอกไม่ไหนคิดยังไงหรือท่านถามว่าเคยคิดไหมว่าแม้ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นแก่คนนี้โอกาสต่อไปก็จะเกิดขึ้นแก่เราแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยในรวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ในเมื่อยังไม่เจ็บป่วยที่แรงความเพียรพยายามยังมีอยู่ก็รีบเร่งทําความดีไปเคยคิดบ้างเปล่ า, าก็ไม่ได้คิดก็เลื่อนไปเป็นเทวทูต ท, ที่สี่ว่าเคยเห็นเทวทูต ท, ที่สี่บ้างไหม บอกไม่ทราบไอ้ที่พระทูที่สี่คืออะไรท่านบอกว่าเคยเห็นคนที่ติดคุกถูกจองจําคือคาถูกลงทันมีอาการต่างๆถึงยี่สกว่าชนิดในแสดงไว้ในบาลีท่านก็บอกว่าไอ้เห็นน่าเคยเห็นเห็นแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าการที่คนเหล่านี้ถูกจับกุมคุมขังถูกลงทันถูทรมานด้วยวิธีการต่างๆนั้นเพราะรก็ก็ทําบาปทําอกุศลไว้ด้วยกายด้วยวาจาแต่เรา มองเห็นโทษเถีนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากบาปอกุศลเหล่านั้นแล้วจะพยายามสัมรวมระมัดระวังไม่กระทำบาปเพื่อเป็นเหตุแห่งทันทับทรมานอีกต่อไปไเคยคิดหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยเพราะว่าประมาทเสียถามถาอย่างนั้นเคยเห็นเทวทูตที่ห้าไหมเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเทวทูตที่หมันคืออะไรถามว่าเคยเห็นคนตายที่ถูกทิ้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ ต, ต, ตายแล้วสองวันสวันเป็นต้น เคยเห็นหรือเปล่าท่านบอกว่าเคยเห็นมากไปแล้วเคยเห็นเคยคิดบ้างไหมว่าแม้เราเองโอกาสหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องแตกดับไปอย่างนั้นต้องทิ้งยชนคนที่รักเข้าของมันเป็นที่รักไปสู่ความตายะจะเปื่ยหน้าผุพังไปท่านก็บอกว่าไม่ได้คิ ด, ดก็บัวมองประมาทอยู่เมื่อไม่ได้คิดเลยตั้งเห็นเทวทูต ท, ทั้งห้าอย่างไม่ได้คิด ในที่สุดก็ดถือว่าไม่มีความดีอะไรทักอย่างนะคือความดีอื่นนั้นไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องจิตสํานึกแต่นั้นเองความดีส่วนนี้เป็นความดีที่เกิดจากความคิดแต่นั้นเองแต่ก็ไม่คิดด้วยคนเหล่านี้ก็ต้องตกนรกซึ่งมีอุปมาเหมือนกับหลุมฐานเพลิงที่ลึกลึกมากแล้วก็มีความ ร, าร่าเริงมากสัตว์ที่ตกลงไปในที่นั้นก็ ประสบความทุกข์ทรมานเป็นอนเนกกาประการแล้วก็ทรงสอนให้บุคคลผู้ฟังได้ตรหนักถึงบาปโทษต่างๆที่เกิดขึ้นอาจากอากุศลทุจริตทั้งหลายจากการมัวเมาประมาททั้งหลายแล้วก็ตอกย้ำให้ที่ประชุมนั้นอย่าได้มัวเมาประมาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเทวทูตทั้งห้านั้นเมื่อมองเห็นก็ควรจะมีจิตสำนึกอะไรเกิดขึ้นที่เป็นทางให้ตนได้ตั้งหลักแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากไม่ดีเป็นดีหรือว่าเพิ่มพูนความดีที่กระทำอยู่แล้วประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วให้สูง ข, ขึ้นนี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในเทวทูตสุดหรือว่าเท ว, เ ท, วทูตสุดในมัจิมณิกายอุปริปั น, น, น์ พระธรรมเทศนาสุดนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระองค์เองไม่ได้มีใครมากราบทูลถามมาขอร้องให้เทศอะไรคือไม่ต้องพรมมาเลยเทศเลยอย่างที่เคยบอกมาตั้งแต่ตอนต้นๆว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นจะมีอยู่สีแ่แนวแนวหนึ่งมีเรื่องเกิดขึ้นก็ทรงแสดงอย่างชาดก ที่เล่าเมื่อวันก่อนก็เรื่องมันเกิดขึ้นก็เล่าถึงชาดกให้ฟังบางครั้งบางคราวก็มีคนมาถามปัญหาคือว่ามีคนมาถามปัญหาก็ส่งแสดงเช่นมงคลสูตรนี่มีคนมาถามปัญหาอะไรเรียกว่ามงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจา้าได้โปรดบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรุเ้เจ้าก็ัตริ์เลยอเสวนาจะพาลานังนี้ก็เกิดมาจากคําถาม และบางอย่างนั้นเกิดขึ้นจากอัธยาศัยของคนอื่นหรือคนอื่นก็มีพื้นเพย์อัธยาศัยที่ฟังเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเข้าใจพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเหล่านั้นแก่บุคคลนั้นอย่างตัวอย่างง่ายๆที่จะเห็นว่าท่านบุราในชายดินท่านคุ้นเคยกับการบูชาไฟครุกรีกายสิ่งร้อนๆมานานพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องร้อนๆแล้วก็เน้นใ้เห็นถึงต้นตอของความร้อนจริงๆในอาธิตตาปรยายยสุตร บางอย่างก็เกิดขึ้นอาตยาสายของพระองค์เองคือมีพระประสงค์จะแสดงพระประสูค์ในแนวนี้จะเรียกภิกษุมาแล้วทนั่งแล้วก็เรียกภิกษุเข้าเฝ้าเรียกภิกษุแล้วถามภิกษุทั้งหลายพร้อมไหมยังพร้อมพรอมพระพุทธเจ้าข่าอ้าวพร้อ ม, อมเทศเลยก็จะแสดงในเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นม า, าหมายความว่าสิ่ง ท, ที่ทรงแสดงนั้นทรงให้หลักไว้ในแง่มุมต่างๆ จะพบว่าอย่างพระสูตรทั้งหลายเช่นสารานิยธรรมสูตรซึ่งก่อให้เกิดความรักความเคารพความสามคัคคีเอกีภาพภายในสังคมนั้นก็เกิดขึ้นจากปริมีพระประงสงค์จะแสด ง, อ, งอีกอภาานิยธรรมสูตรเป็นสูตรที่โน้มน้าจิตใจของบุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่มีความเสื่อมสังเกตว่าสังคมควรจะอยู่อย่างนั้นก็ทรงสแสดงแล้วก็มีพระสูตรเป็นอันว่าเขีมัคคุเทศก์กสูตรนี่ก็แนวนั้นทั้งนั้น แนวที่แสดงด้วยอัตฉยาศัยของพระองค์คือมีพระประสงค์เห็นสมควรจะแสดงเรื่องนี้ไว้เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติก็ทรงแสดงประเด็นที่สําคัญทรงยกตัวอย่างให้เห็นแล้วเราก็เห็นสองอย่างนะครับว่าไอเรือนชาญต่อกันเนี่คงจะมีมานานในประเทศอินเดียแสดงว่าสมัยพระพุทธเจ้าก็มีการสร้างเรือนแบบชาญต่อกันคนไทยเราอาจจะได้แนวทางคัมภีพระพุทธศาสนามาก็ได้โดยเฉพาะวัดนะคร วัดในที่บางแห่งในสร้างเรือนร่งกุฏิชานต่อกันเป็นแถบไปหมดเลยมีหออะไรสุดมนต์เสร็จอยู่ในนั้นแล้วก็ลงหายไปจนถึงประจบเมื่ก่อนไปที่ปราณบุรีไปเจอกุฏิในแนวนี้วัดตั้งใหญ่กว้างขวางกุฏิอยู่จกุกจุกอยู่ยอมเดียวคือหลังเดียวะต่อกันเป็นแถบไปเลยพระทรงอุ ป, ปมาให้เห็นว่าคนที่ยืนคือเรือนมันสองหลังแล้วคนหนึ่งมันอยู่กลางนอกชาน ไอ้คนข้าวคนออกจากเรือนนั้นออกจากเรือนนั้นมาข้าเรือนนั้นออกจากเรือนนั้นข้าเรือนนั้นเนี่ยใครข้าวใครออกมันก็เห็นได้ตลอดและทรงอุปมาเห็นว่าพระองค์ก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันพระองค์สามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจุติอยู่กําลังอุบัติดู่นะกำลังประสบผลกรรมอยู่ในภพภูมินั้นๆด้วยที่ประจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงคือคือคือว่าเหนือเหนือจากสุของสามัญยมนุษย์ เวลาใช้จะใช้คํานี้ทุกทีนะฮะเพราะไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชาวบ้านประชาชนเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นเลอต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออันเนี้ยทาให้เห็นและที่ประจักษ์ไม่ใช่ที่ประจักษ์สุธรรมดาที่ประจักษ์สุที่บริสุทธิ์เหนือจากสุของสามัญจมนุษย์คือสามัญญมนุษย์ไม่เห็นได้เพื่อบอกเสีบอกว่าเธอไม่ต้องพูดว่าถ้าเธอไม่เห็นแล้ฉันต้องมาเห็นด้วยเพราะเธอไม่มีเครื่องมือที่ฉันเห็นแต่ฉันมีเครื่องมือที่เธอที่เธอไม่มีฉันจึงเห็นได้ ใครจะพูดทํานองนั้นนะฮะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะต้องเน้นตรงนี้ทั้งทีเลยปัญหาประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ในฐานะพุทธศาสนิกชกนเนี่ยคือต้องจับประเด็นไว้ให้ได้เลยเรื่องพยานของพระพุทธเจ้าต้องจับตรงนี้ให้ได้แต่มื่มันก็แกว้งหมดเลยแกล้งหมดกําหนดทิศทางอะไรกันไม่แน่นอนแล้วก็ต่างคนต่างพูดท่านอาจารย์ผมว่าไม่ได้ว่าอย่างนี้ก็อาจารย์คุณว่าอย่างไงก็เรื่องของคุณอะไม่เกี่ยวอะไรกันปัญหาพระพุทธเจ้าต้องแสดงว่าอย่างไรตรงเนี้ย พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเขตเกิดของทิพยจักรสุและการเห็นสาตุตั้งหลายด้วยทิพยจักรสุหลังจากพัฒนาจิตมาอยู่ในจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้ที่สําคัญที่ทุดต้องมองในผลต่อนเนื่องการมองอะไรต้องมองในลักษณะต่อนเนื่องว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทําไมทิพยจักรสุนี้จึงเกิดขึ้นได้ทําไมเมื่อก่อนไม่เกิดทำไมพระพุทธเจ้าไม่พูดเมื่อก่อนเนี่ยก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่มีทิพยจักรุ่ตอนเป็นเจ้าชายถิฐะท่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ยแต่ท่านพอได้ทิพยจักรสุท่านก็รู้ แล้วก็มองเห็นชัดเจนบมืนคนยืนนอกชาเนี่ยมองคนข้าวออกสองบ้านเนี่ยใครเข้าใครออกออกยังไงไปยังไงหนุ่มหมยังไงก็บอกได้ละเอียดหมดเพราะพระองค์อยู่ในจุดที่รู้เห็นคือไปยืนในจุดที่รู้เห็นทีนี้สมมติว่าไอ้บ้านสองหลังก็หนึ่งมันอยู่ในห้องอะ่ะยืนในห้องก็ไม่รู้ไม่เห็นก็นจะว่ า, างไงก็ไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเที่จะสู่เกิดเมื่ อ, อไหรที่จึงสามารถเกิดแก่เกิดเกิดแก่คนทุกคนนะฮะ เวลาทรงแสดงโดยสรุปมีเยอะเหลือเกินเนี่ยแสดงไว้ในที่ต่างๆเยอะว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนเหมาะสมที่จะใช้งานคือน้อมไปเพื่อน้อมไปเพื่อใช้เพื่อดูสัตว์ทั้งหลายที่กำลังอยูติและอุ บ, บอัปาจุมาคราบว่าไอ้สภาพจิตเนี่ยยังยัง อย่างอะไรล่ะเราจะทําอะไรก็ตามเขาเรียกว่าบาลีที่ชาว่ากรรมนิยะมันควรแก่การงานในเรื่องนั้นๆครับเช่นเราจะหั่นผักอย่างเงี้ยมีดทื่อมันก็หั่นไม่ได้มันก็รับไปมันควรแก่การหั่นผักได้เกาเรียกควรแก่การงานคือใช้ทําอะไรครับเราจะจะรีดผ้าเตาร้อนได้ก่อนมันควรแกการรีดผ้าถ้ายังไม่ร้อนมันก็รีดไม่ได้ นะกับข้าวปรุงขึ้นแล้วควรแก่การงานคือมันกินได้แล้วไม่ใช่พอใส่ปั๊บมันย ก, ยกขึ้นปุ๊บนี้คือเรียบรกบาลีใช่หมครกรรมนิยะคือมันควรแก่การงานในฐานะนั้นเพราะฉะนั้นจิตเองว่าเป็นกรรมนิยะคือควรแก่การงานควรใช้งานได้แล้วก็สามารถน้อมไปน้อมไปเพื่อดูการจุติการุบัติของศาสตร์ทางหลาย แล้วทรงเห็นว่าสาัตว์ทั้งหลายนั้นจุจิอุบัตเลวบ้างประณีตบ้างยา บ, บ้างซ้ำบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่ในภพในภูมิ น, น, นั้นนี้รู้ได้ที่พปะจักษุทั้งหมดเลยถ้าจิตเป็นอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อย่างนี้ก็ทานั้นเองอย่างได้เคยอุปมาให้ฟังว่าภยานนั้นเราจะต้องมองในเชิงรูปธรรมว่าพระพุทธเจ้าเหมือนคนที่ยืนบนจุดสูงสุดของอาคารหลังใดหลังหนึ่งในกรุงเทพนะ แล้วก็มองไปสมมติว่าติดตามว่าอาจจะเห็นทะเลนะเอาที่อ่าวไทยแล้วท่านก็บอกว่าท่านยืนอยู่จุดเนี้นก็เห็นเห็นอ่าวไทยเห็นเรือลั่นอยู่ที่อ่าวไทยด้วยเอ่อแล้วก็ลงมาบอกคนข้างล่างว่าที่จริงถ้าท่านยืนข้างล่างท่านไม่เห็นนะท่านบอกว่าฉันยืนตรงนี้แล้วเห็นอย่างนี้เพราะงั้นคนที่อยู่ข้างล่างมก็ทําได้สองอย่างคือเชื่อตามที่ท่านบอกหรือขึ้นไปยืนในจุดที่ท่านบอกท่านเห็นโดยวิธีการเดียวกับท่านนะ ทีนี้ที่ไปจากสู่นั้นเกิดขึ้นเหมือนทรงสรุปในตอนสุดท้ายหน้าหน้าตังเกตนะเหมือนเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอะไรอยู่เหมือนกันทุกแห่งเลยจะรับสั่งอย่างนี้ตัวไหนว่าถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยคนใครก็ตามไม่ประมาทมีความเพียรมีเะจตจํานงแน่วแ น, วแนว่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวนะก้าวรุตหน้าไปแล้วจะเห็นเหมือนกันเพราะงั้นไ อ, อ้คุณธรรมสําคัญสามสา ม, สาม อ, องค์นี้คืออะไร ท่านนักหลายจะเห็นว่าโดยรูปแบบโดยถ้อยคําอาจจะไม่ตรงกับที่เราเรียนที่จริงก็คืออาตาปีสัมปชาญโณสติมาวินัยยะโลเกะพิชาโดมนาสังในสมาติปัฏฐานได้กำลังพูดกันอยู่หลายปีแล้วเนี่ยอยู่ในนี้อะไรละ่ะอาตาปีก็คือเจ็ดจํานงแน่วแน่เลยนะเอาจริงก็จังเลยเอาจริงเอาจังไม่หวั่นไหวออกมาในรูปทั้งความเพียรทั้งความแน่วแน่ ไม่ประมาทคืออะไรคือสติสัมปชัญญะอาตาปีเอสัมปชานโนสติมาสัมปชาโนสติมาสามองค์นี่ฮะสามองค์ที่ทรงแสดงด้วยทั้งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสามองค์นี้คืออะไรสามองค์นั้นองค์แรกอาตาปีก็คือสัมมาวายามะสัมปชาโนก็คือสัมมาทิิสัมมา ส, ส, มาสังกัปปะนะสติมาก็คือสัมมาสติสมาสัมมาทิฏฐิเข้าอาริยามะเข้าอริยมายมะไปไปเรียบร้อยถ้าเราพูดพูดชงคืออะไรผู้ชงก็คือสติก็คือ สติสัมโพชฌงวิริยะคืออะไรวิรยิยะก็อาตาปีคือวิริยะสัมโพชฌงค์สามั ญ, ญญาคืออะไรสัมั ญ, ญญาก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงเห็นไหมฮมันสอดคล้องกันหมดเลยสอดคล้องทุกจุดที่ธรรมะกับที่ทรงแสดงไปเนี่ยว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเหมือนกันว่านความรู้ความเห็นเกี่ยวกับทุกในสังสารวัฏนะฮะ ไม่ว่าจะความทุกข์ความสุขการยุติการอุบัติของศาสตร์ทางหลายคนนั้นตายไปและเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยพูดภาษาธรรมดาธรรมดานะฮะจะเกิดขึ้นด้วยทิฏฐิจักสุของพระองค์คือทรงรู้ทรงเห็นด้วยทิฏฐิจักสุทำนองเดียวกันเรามีกล้องโทรทัศน์มองเห็นไกลได้มีกล้องจุลทัศน์มองเชื้อไวรัสได้อะแล้วก็มีโทรทัศน์ก็สามารถที่จะเปิดดูภาพต่างๆได้ น, ะนี่มันก็อยู่ที่เครื่องมือนะฮะอยู่ที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต่อนเนื่องกับเครื่องมือ เดีวิธีการใช้เครื่องมือไม่ใช่ว่าถ้ามีที่ประจักษ์สุแล้วจะเห็นอยู่เสมอไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางทีมันก็ไม่เห็นถ้าท่านไม่ใช้ที่ประจักษุเหมือนเรามีโทรทัศน์แต่เราก็ไม่เปิดโทรทัศน์เราก็ไม่เห็นแต่ปกติท่านก็ธรรมดาธรรมดานี่เราไม่รู้ท่านอ่ะท่านใช้เวลาเวลาไหนเราก็ไม่รู้ท่านเหมือนกันก็เรียวกว่า บ, บริกรรมเพื่อที่ประจักษ์สุที่ประจักษุก็เกิดขึ้นทีนี้ที่ทรงรู้ทรงเห็น ในที่นี้ก็มาสแสดงเรื่องของความทุกข์ในนรกแต่ว่าเน้นที่เทวทูตท่านทั้งหลายจะพบถึงความจริงอย่างหนึ่งซึ่งออกจะเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่องมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่ภาษาริบุตรแสดงแกท่านท่านตันญชาณีพราหมณีก็แสดงในแนวเนี้ยและที่ดําการก็คือว่าคนเราที่ตายไปนะฮะตายไปแล้วแปดปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรแต่ไหเนี่ยที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เล่าอย่างนี้เหมือนกัน จะยังนึกว่าแหมอีตอนนี้ระยมาบาลคงทำงานการหามรุ่งหามค่ำถางคนมันตายจังคนทําชั่วแย่แล้วทํางานกระจังเลยคงคงคงจะมีหลายบรรลังนะเหมือนกันสารนะมีหลายบรรลังก็ตัดสินกันเยอะเลยคงจะเป็นอย่างนัน้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมั น, มนที่พระศาริบุตรท่านแสดงแก่านทนทนันชานีพรามณีมันก็พูดแนวนี้นะฮะไม่ไม่ใช่ท น, นานชานีคือจานุสโนีพรามกจานุสโณนีพรา ม, ารามแสดงในรูปการสอบถามเหมือนกัน ว่าท่นั้นเอชานุสวรีพราวเมื่อก่อนแกเป็นคนดีนะฮะเป็นอุบายศกขแข็งแรงมากเลยแต่ว่าก็ศรัทธาในลักษณะหัวเต่า น, นะฮะปรโบรโ ป, รโปรพอต่อมาท่านเป็นับหมัดผู้ใหญ่ครับมีบริษัทบริวารห้อมล้อมมากคนมันลืมตัวเลยก็ต้องไปอยักยอกก็เรียกว่าอะไรนะกะระจายหลอกราษฎรหลอกราษฎรแล้วมาลวงพระาชาฮ ะ, ะก็ลวงพระราชามาหลอกราษฎรก็คือ คือกินกินสินบนกินสินบนยักยอกผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยภาษาที่บุตรท่านอยู่ต่างเมืองท่านรู้ข่าวข่าวสอบถามท่านมาเลยไปถึงเยี่ยมที่ถึงถึงบ้านไหะเป็นไงเดี๋ยวนี้ทํามาให้กินดีอยู่หรือยังประพฤติปฏิบัติในสุจริตดีอยู่หรือบอกว่าจะแมจะหมจ่หยโยมทําได้ยังไงโยมมีภารกิจแย๊ะเลยต้องเลี้ยงดูลูกเมียบุตรพันธาค่าถาดบริวารเสนาอัมมาต่างๆเป็นนันมาก งั้นก็ให้ปฏิบัติสุจริตเต็มที่ไม่ได้พระสาริบุตรท่านกล่าวโดยสรุปนะเรื่องมันยาวแยะท่านกล่าวโดยสรุปว่าเออแต่คุณทําอย่างเนี้ยเวลาเวลาเวลาคุณตายไปสู่สํานักของพยายม่ะแล้วคุณจะอ้างได้ไหมว่ันนี้ที่ผมต้องทําชั่วที่จริงผมไม่อยากทํานะเนี่ยต้องทําชั่วเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูปัญญาเลี้ยงดูมันดาบิดาเลี้ยงดูกัถาดบริวาเน่ยอะก็อ้างเยอะเลยเออเขาจะยอมไหม ท่าบอกว่าเอ็นี่เขาคงไม่ยอมนะเอาละเขาเขาไม่ยอมคุณอ้างแล้วเขามายอมพวกเหล่านี้จะไปอ้างให้ได้ไหมไปอ้างให้ได้ไหมแม่อาจจะไปอ้างบอกว่าลูกอาจจะไปอ้างวันนี้ที่พ่อผมต้องทําชั่วเนี่ยเพราะว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงผมนั่นที่จริงพ่อไม่ทำอะ่ะอย่าไปลงนาะอย่าให้ตกนรกเลยอ้างได้ป บ, บอกไม่ได้เอาแล้วคุณทําไงแล้วคุณจะทํำยังไงว่าคุณเองก็ไม่สามารถอ้างเป็นเงื่อนไขให้หลุดพ้นจากนารกได้ญาติพี่น้องทั้งหมดเลยนะฮะใครที่เราอ้างว่าเราทําเพื่อเขาเนี่ย แล้วไม่สามารถจะช่วยป้องกันเราจากนรกได้เราทําไงดีเนี่ยแกบอกมันต้องตกนรกนะก็ได้นะด่ะสิทาไมจะต้องตกนรกเพื่อคนอื่นนะ่ะเออทาไมจะต้องตกนรกเพื่อคนอื่นก็ทําไปที่ทําความดีไปก็เลี้ยงดูบุตรปัญญานี่คนเราที่ทํามาให้กินในความรู้สารสุจริตก็เลี้ยงดูบุรปัญญาเลี้ยงดูครอบครัวสงเคราะห์ญาติมิตรได้เนี่ยทาไมจะต้องทําทุจริตเสร็จแล้วทางก็ได้คิดทางก็เลิกนะเพราะงั้นจะเห็นว่าภาษาทีบุตรแสดงในแนวนี้เหมือนกัน ที่แสดงเต็มรูปนะเพราะว่าตามปกติที่ท่านทั้งหลายเคยฟังธรรมบัญญัตที่เล่านะ่ะเราก็เล่าจากพระสูตรนะจริงๆนอะ่ะเล่าจากพระสูตรทุก ข, ข้อแต่ว่าไม่ใช่รายละเอียดนะเพราะว่าท่านพูดระหว่างผู้รู้กับผู้รู้ด้วยกันนะคือประเด็นปีกย่อท่านก็ตัดออกหมดเลยเราก็เราเลยบางช่วงเราไม่รู้เราไม่ได้เหมือนท่านเนะี่ยท่านก็ไม่ได้เหมือนเราเลยก็พูดกันบางทีก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องหาทางปฏิบประต่อกันดูว่าในโครงสร้างที่ต่อเนื่องเนะี่ยมันมีรูปลักษณะเป็นยังไง จากตัวอย่างเหล่านี้ไม่ว่าคนที่เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะฮะที่เลึกชาติได้ดังอย่างที่เอสซาสจาร์เอ็นดิเวนสันรวบรวมไว้ประมาณสามพันรายนะทั่วโลกคนรลืกชาติได้ไม่ได้ไมีเฉพาะคนไทยนะคนชาติอื่ น, น, นลึกได้แย่เลยเป็นตัวอย่างที่เหมือนกันนะในกรณีที่ เขาเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยฮะจะเล่าได้เหมือนกันแต่ว่าระลึกชาตินั้นช่วงตรงนี้จะเล่าไม่ได้ช่วงนี้เล่าไม่ได้จะเล่าได้เฉพาะชาติก่อนก็แสดงว่าเขาไม่ได้ผ่านอย่างนั้นมาไม่ได้ผ่านอย่างนั้นอย่างรูเหมือนจะเคยเล่าหปฟังนายจุกี่ราชบุรีเนี่ยนาจุกที่ราชบุ ร, รีที่นายจุกนี่ไม่ได้ไปอย่างนั้นฮะมันมันมันคล้ายคกับอุบัติเหตุแต่มีคนเอาผลไม้มาให้กิน แกตกบ่อตายนะฮะคนเอาผลไม้มาให้กินแกไม่ยอมกินแกโยนทิ้งแนทะแล้วแกวิ่งหนีเอ่อต่อมาแกเกิดก็ก็ระลึกชาติดได้แต่ว่าคนที่ตายแล้วฟื้นอย่างว่าแจ็คเฮงดิสุราชเนี่ยก็เล่าเหมือนกับที่อะไรล่ะที่ครูบุญชูเล่าที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วนะเล่าในแนวเดียวกันหมดเลยว่าจะมีเข้าไปอย่งงางนั้นมีคนซักถามเป็นอย่งงางนั้นหรือพระอะไรที่บวชว่าราประดิษฐ์เนี่ยว่ราประดิษฐ์หลายปีมาแล้วท่านไม่กล้าพูดเมื่อก่อนเนี่ย แล้วปภท่านบวท่านศึกษาท่านประพฤติปฏิบัติแล้วท่านท่านบอวท่านยืนยันโดยเพศพระเนี่เมื่อก่อนในกลัวเขาจะหาว่าโกหกท่านเล่าให้ฟังว่าก็ไปเหมือนกันเป็นการนําตัวไปผิดลงโทษท่านหาว่ายิงนกเป็ดน้ำตายไม่นกเป็ดน้ำมาเยอะเลยมาเยอะเลยแล้วก็แล้วก็ยิงจริงด้วยยิงจริงด้วยแต่ว่าพอเขาจะลงโทษข้าวปรากฏว่ามีเต่าตัวหนึ่งมาค้าน ตาบอกว่าแกเคยยิงนกเป็ดน้ำจริงแต่ก็แก็เคยให้ชีวิตเตามาก็ปรากฏว่าพิสูจน์การเนี่ยตาก็บนะอ ก, กว่านี่เขาเขียนชื่อไว้ใต้ท้องแกแล้วพิกท้องเตาดูก็ปรากฏว่ามีชื่อแกกับชื่อพี่สาวไปไปซื้อต่ามาจากตลาดาปล่อยเพราะฉะนั้นไอ้ไอต้ตาเนี่ยก็มาช่วยบาปบุญที่ช่วยเตาเนี่ยก็มาลดบาปที่ที่ ท, ที่ที่ยิงนกเป็ดน้ำตายและแกก็ ได้กลับมาแล้วก็มาบวชต่อมามัน ก, ก, ก็ทำบุญเพิ่มขึ้นเนะ่ทีนี้ไอ้ไอ้ไอกหนดตายโดยอะไรแต่ไหมันก็ไม่ลงตัวเพราะว่าบุญข้ามาตัดเถียหรือข้ามาแทรกแซงทนะําให้แกมีโอกาสได้มาบวชได้เรียนตอนตอนแกตายอายุสิบกว่านะตายไปคราวแรกนะแต่ว่าแกตายสองคราวเนี่ยแกเขียนเล่าไว้สรุปว่าเรื่องตรงนี้มันก็ตรงตรงกันทั้งหมดนะ เผื่อเหนียวแล้วก็เราเชื่อไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะตัวการใหญ่จริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตัวการใหญ่จริงๆนั้นอยู่ตรงที่ว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของบุคคลคนที่ไปประสบทุกข์ในนรกนั้นทรงแสดงโดยสรุปนะเรื่องมัญญาวส ร, สรุปว่าทําทุจริตทางกายทางวาจาทางใจทุจริตทางกายเช่นอะไรนะฮะเช่นว่าไม่มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ เอาหยาบหง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไอพวกข้าศันรุกทรัพย์ประพฤติในกรสมสัม้นสุดแต่มาขยาบหยาบหยาบที่ง่ายๆด่ดๆทีเนี้ยเห็นไหมมีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไม่เลี้ยงดูมานดาบิดาด่าว่าทำรรมนาพรามติเตียนพูดทรงศีลได้แต่ไรเนี่ยจนถึงกับเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่และอย่างนั้นเป็นปัใจจัยให้เกิดในนรกซึ่งบาปกรรมเหล่านี้เราเห็นกันจะจะแล้วไม่ต้องพูดนรกแน่ ไม่ต้องพูดนะโรคมก็เห็นกันจัดจระแล้วว่าเกิดขึ้นด้วยแรงดันของกิเลสทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวดันแล้วเมื่อบุคคลกระทําไปแล้วก็มีผลเป็นความทุกข์ที่เป็นที่เป็นอะไรเป็นทิฏฐธรรมเวทนากรรมคือเราสัมผัสในชาตินั้นๆอยู่แล้วทีนี้อากรรมเราไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในคือไม่ได้ใช้เฉพาะในชาติปัจจุบันยังใช้ในชาติหน้าอีก ที่เราเรียกว่าอปาราประเวทนิยกรรมนะที่เคยพูดเรื่องกรรมเอาไว้ดังนั้นบาปอากุศลยังเป็นผลที่ควรแก่การหวาดกลัวอยู่นั่นเองตัวการใหญ่จะไม่ทิ้งตรงนี้นะฮะให้โปรดสังเกตว่าตัวการใหญ่จริงๆเป็นเหตุแห่งความทุกนั้นแต่ไม่ทิ้งกิเลส ต, ตัวเหตุแห่งความทุกจะไม่ทิ้งกิเลส ต, ตัวเหตุแห่งความสุขจะไม่ทิ้งธรรมะนี้คือจับหลักไว้เลยไม่ว่าพูดไปในยะไหนก็ตามหลักใหญ่อยู่ตรงเนี้ย ต้นต่อสืบสาวมาถึงต้นต่อของความทุกข์ความสุขอยู่ตรงนี้เองเอ่อทีนี้ก็แนวการแสดงระบบนะระบบว่าเราไม่ได้นิ่งๆจะตายในทันทีหรือว่าจะต้องตกนรกในทันทีจะต้องมีการช่วยเหลือนะสงเคราะห์ให้สติตักเตือนเพื่อให้บุคคลได้ระลึกถึงบุญถึงกุศลอะไรเนี่ยระลึกถึงบุญถึงกุศลของตนที่ได้กระทาเอาไว้ ก็อย่างเนี้ยอย่างตัวอย่างพระนวากะที่วัดราชประดิษฐ์เมื่อหลายปีแล้วนะฮะรู้สึกอาจจะศึกไปแล้วนะครับไปก็แสดงว่ามันก็มีต้านกันอยู่สองอย่างไอ้ยิงนกเป็ดน้ำก็ยิงนกเป็ดน้ำแต่ว่าช่วยเต่าก็ช่วยเต่ามันก็มีเกิด ป, ะ, ปะทะกันสองอย่างเนี้ยว่าอะไรควรจะควรจะถึงกับรับผลก่อนรับผลหลังกันก็ปรากฏว่าบาปมันก็ยังไม่แรงนะฮะเพราะว่าเป็นเด็กที่ สมัยยิงนกเป็ด น, น้ำมันยิงเป็นเด็กคือเจตนามันอ่อนอะเจตนามันอ่อนแต่ว่าช่วยเต่านั้นเป็นโตขึ้นมาแล้วมันมีเจตนาที่เป็นกุศลมากแล้วก็ช่วยชีวิตชีวิตของสัตว์ที่มีอายุยนะืนนมันก็พอพ อ, พอต่อสู้กันได้ทีนี้ท่านก็ถามเรื่องเทวทูตเทวทูต น, นั้นมันบรรก่อนมันเจอเรื่องหนึ่งนะเอามาบอกพลาดไปชื่อนะึง พลาดไปที่ชื่อหึงเลยก็มากลับมาที่เทวทูตนี้ให้ตรงตามหลักที่เป็นพระบาลีคือเทวทูตนั้นมันไปจา ม, มาจากเรื่องพมาลัยเรื่องพระมาลัยนี่เป็นหนังสือรุ่นหลังแต่ตั ว, ตวพระเจ้าบิดกจริงๆที่ทรงสแสดงก็หมายถึงเทวทูตห้าอย่างนี้แการแรกก็คือเรื่องของเด็กที่เกิดนะเด็กที่เกิดใหม่ๆเลยแบเปาะแต่ว่าการตามความเป็นจริงก็เน้นไปตั้งแต่เกิดที่ยังไม่ได้อาบน้าอาผ้าอะไรเนี่ยถึงภาพมันเห็นได้ชัด ถึงความปฏิกูลถึงความทุกข์ถึงความเดือดร้อนในอะไรที่ชีวิตได้ประสบแล้วก็ย้อนกลับามาหาตัวพิจารณาถึงตัวที่จะต้องเกิดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้ควรจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะฮะโดยสรุปว่าควรจะอยู่โดยความไม่ประมาทแต่ว่าเมื่อไม่คิดมันก็เอาหนึ่งไม่เอาก็เอสองนะ่สองก็มาที่คนคนแก่ คนแกก็บอกอาอยุวิเ ศ, เศษนะฮะแปดสิบปีขึ้นไปเอาแก่จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าไม่แก่จริงๆมันดูยากเหมือนกัไนไอ้ใจมันไม่ยอมรับอ่ะต้องงั้นแก่จริงๆไปเลยแต่บางทีแ80ดสิบแล้วก็ยังไม่ยอมแก่ก็ไม่แน่ก็เอาไปสักร้อยยี่ถึงให้มันรู้เรื่องไปเลยดูให้แก่ชัดๆเลยฮะอย่าลืมว่าบางทีมันไม่กระตุกอารมณ์อ่ะมันมีภาพอื่นที่มันลวงอยู่มันหลอกอยู่พระพุทธเจ้าเราเองก็เอา เอาขนาดคนแก่ที่เดินตัวทันแบบปรัแล้วนะตอนที่เสด็จเป็นตัวกระตุ้นออกพนวดมาคนแก่ตัวสันแล้วเห็นได้ชัดมากถ้าว่าแก่ไม่มากนะัวกวันก็ลำบากมันก็ดูยากกิเลมันแย่ภายในใจคนนะเอาตัวภาพจริงๆดังนั้นเนยซึ่งเราส่งเน้นให้เห็นว่าให้นึกแบบชรารโ ม, มินะนึกนั้นส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนั้นก็ให้เกิดความ หวังดีความเคารพนับถือคนแก่ซึ่งเป็นชั้นของศีลธรรมจัร ญ, ญาเราทําได้ตั้งหลายตอนน่ะเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าทํำยังไงว่าในขณะที่ว่าคนแก่เนี่ยมันงองเ ง, ง, ง, ง, ง, งื่อนทำอะไรไม่ได้แล้วเรายังพอทําได้เนี่ยเรายังพอทําได้เพราะงั้นไอ้มือเท้าเนี่ยแรงความเปลี่ยนพยายามเรายังมีอยู่เนี่ยทำยังไงว่าเราเร่งเร่งทำเถอะต่อไปนี่เราจะทําไม่ได้ก็เหมือนกัรลุงกับป้าที่ยืนเนี่ยแกทําไม่ได้แล้วเราต่อไปเราก็เหมือนแก นี่ที่จริงเป็นช่านศิลธรรมจัรญาธรรมาดานะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปสอนให้ลึกซึ้งอะไรต้องมรณัสติอะไร ม, มันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ให้มองแล้วไม่ประมาทว่าเราตอนนี้เรายังไม่แก่แต่เราต้องแก่เมื่อเราต้องแก่เราก็คนแก่นั้นคือตกอยู่ในสภาพเดียวกันวันนี้เราก็ให้ความเคารพนับถือท่านช่วยเหลือท่านแล้วก็อาศัยเรียนรู้จากชีวิตจริงของท่านที่ท่านยืนยืนสั่นอย่างนี้ว่าเราจะต้องไม่ประมาทรีทําอะไรๆแจ้ความดีต่างๆนะโดยเฉพาะก็กุณสสุจริตทั้งหลาย ถ้ายัางไม่คิดล่ะไม่คิดคมันก็ต้องมองไปที่คนเจ็บคนเจ็บเอเจ็บแรงๆกันนะเจ็บแรงๆไม่อายปวดหัวปวดท้องมาดูไม่ชัดอ่ะเอาเจ็บแรงๆเลยลงเล่าเล่าบรรยายภาพที่เจ็บไว้นี่คือแสดงว่าทุกตรมารณจังใกล้ๆ ก, ก, กับอะไรอะ่ะคือแปดเปื้อนด้วยสิงส่งสิ่งที่ปฏิกูลต่างๆส า, ารพัดเรื่องนะฮะแล้วก็ร่างกายก็จำรู้สุดซมบางทีก็เหม็นเน่าเปื่อยอะไรตัวไรเนี่ย มันภาพมันชัดดีภาพอันนี้ก็ชัดดีก็ให้มองเห็นว่าแม่เราเองก็จะเป็นอย่างกั้นแหลจะต้องเก็บอย่งนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่รังเกียจคนเจ็บจะช่วยเหลือคนเจ็บจะอาทรห่วงใยต่อคนเจ็บในฐานะของหน้าที่แต่ว่าก็ดึงเอามาสอนตัวเองด้วยคือคือคือเราเราอะไรจานวนเราเนนรายเียกว่ายิงนกเอ่อยิงทีเดียวได้นกสองตัวนะของพระพุทธเจ้าได้ทั้งสาสตัวคือคื อ, ค, อคือไม่เอาไอ้ยิงนกทีเดียวได้ตัวเดียวไม่เอา เอาให้มันได้หลายเรื่องเลยอย่างยกตัวอย่างว่าไปงานศพนี่ของพระพุทธเจ้าท่านท่านต่างหลายเรื่องหลายชั้นเอาปฏิบัติหน้าที่กันนั่นชั้นหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เราเรียกว่าปุเปต์ปุเปตเรี๋หรือเปีกรรมที่ทําทําให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วนั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรียนความจริงจากแกเนี่ยเรียนความจริงจากคนที่ตายนะความดีความชั่วของแกมีอะไรบ้างคนนี้มีทั้งความดีความความชั่วคนที่เอามายกย่องนั้นคือความดีของแกเออความดีนั้นถ้าเราทํำเราก็ ได้รับการยกย่องเหมือนกันได้รับความสุขเหมือนกันในเรความชั่วแกเคยได้เดือดร้อนมาเป็นตัวอย่างแล้วเราเร า, เราก็ถือเป็นทางละเว้นเพราะแกเจ็บปวดแกตกเหวตกบอมให้เราดูแล้วว เ, เรียนแบบว่าเอวังธโมเอวังปาวีวังอนาติโตเนะีเราก็จะตายอย่างนั้นนี่ก็คือวิธีที่จะเอากันหลายชั้นเลยไปงานหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเสียเงินช่วยบริจาคให้เขานะแต่เราได้ธรรมะมาเยอะถ้าว่าไปงานศพแบบรำพุทธเจ้านะแต่งานเดี๋ยวนี้ไม่ไหวมันจ้องกินข้าวต้มกันด้วย พระสวดพระสวดจะไม่ทันเสร็จแล้วนั่งกินข้าวต้มไปทำให้พระท้องปั่นปวดนะบางอง ก, ก็นั่งอยู่โยมมานั่งกินข้าวต้มเราก็ให้พระนั่งชดน้ำชาแหมแกล้งกันเนะี่ยคงจะพระอาจจะต้องชดใช้กรรมบางเวลาพระฉันโยมก็นั่งดูเหมือนกันอคงจะเปลี่ยนกันชดใช้กรรมอพอมาถึงคนเจ็บเราก็มองในแนวนี้นะฮะมองในแนวชาราธรมมารมภิจรรยาณาตีตัวเนี่ยเราก็ได้ผล ได้ผลในการทําให้ตัวเองไม่ประมาททาให้ตัวเองไม่ประมาทว่าเออระมาดระวังรักษาสุขภาพเอาไว้ถ้าเจ็บเป็นอย่างนี้แล้วแย่เวลาจีวิตมันผ่านไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วไปดึงคนมาฮดึงคนมาเยอะเรือยเกินเอามายัางนึกว่าเราไม่เคยเข้าถึงธรรมดากันเท่าไหร่นะมีครา้หนึ่งที่ตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะฮะเป็นครอบครัวก็ เจานายนะครคุณคุกันหลานนั้นป่วยนะมันเดึงก็รอไปอยู่เพื่อนด้วยโอยมาอยู่กันเต็มหมดเลยไม่รู้สักกี่คนเต็มไปหมดเลยเด็กป่วยอยู่คนเดียวนีะฮะมาจะนั่งนึกว่าเนี่อากาศมันดีๆโย่ข้าไปอาดกันหายใจอากาศเสียกัไปแล้วเด็กตายมาดีอ่ะบอกนะึกท้ายเด็กก็ตายจริงอ่ะก็เรียกว่าอะไรนะฮะคนจนตื่นมีเศรษฐีตื่นตาย คนจนตื่นมีเศรษฐีตื่นตายแทนที่เราจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะหาเป็นบทเรียนเอาไปห้อมล้อมกันเน่ยไปห้อมล้อมกันเลยหมอเองก็ทํางานไมสะดวกแล้เขาก็หนักใจเขาอึดอัดใจแล้วทําอากาศเสียเข้าไปแล้วก็เสียเวลามากเพราะความเจ็บเนี่ยมันเรื่องพะรุงพะรังจังอะไรอย่างนี้นะไอ้จริงเจ็บๆก็ปล่อยเจ็บอยู่สักคนอ่ะสบายๆที่จริงคนเจ็บนะคนอื่นไม่รู้หน้ามาเองมาชอบดูอย่างเงี้ยแบบ คือไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากให้ใครมาจะชวนคุยมันเหนื่อยจะตายตัวเองยังประคองตังขาไม่ได้มาชวนคุยอีกหรือมันเหนื่อยหนักแค่ไหอีกแอบประการต่อไปก็คือคนตายนะฮะแต่นักโทษนักโทษก่อนนักโทษที่ถูกจองจําคือคาไอ้นักโทษนี่แปลกคือคาเนี่ยมันอะไรกันพวกนี้พบหลายแห่งพบในมหาทุกขันทศูตรคือคาก็แรงมากนะดูก็ทรมานทันทัททรมานในสมัยนั้นแรงมากแล้วเราพบในพระไตรปิฎกเยอะหลายแห่ง ว่าอาญาของบ้านเมืองนี่รุนแรงเหลือเกินเอาเสียบเสียบหลาด้วยเสียบลงไปในหลาเลยคนนะ่ะเสียบจะได้ยังไง เ, เสียบเสียบเมืองก็ปิ้งปิ้งปลาปิ้งกบอะไรปิ้งไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้ตายก็ไม่ตายจะตายก็ไม่ตายบางทีไปแขวนห้อยไว้ไปตอกหมุดนะแบบตรึงไม้กางเขนอย่างตรึงเยตูนี่ครับ ท, ทรมานเยอะเหลือเกินแต่ว่าในอินเดียนั้นในนรกนะมันจะในอนเดยในนรกอนะ่ะ ว่ารู้สึกกูลืกเลิกกำลังเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เล่าไว้ที่ทรงแสดงไว้เราทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําทอย่างนี้นะฮะเคยเห็นบ้างไหมนะเคยเห็นนั้นแสดงว่าไอในโลกมนุษย์เนี่ยในมหาทุกขคันทศนันแสดงในโลกมนุษย์แสดงว่าในโลกมนุษย์เองก็เอาทันทะทรมานต่างๆนี้มาใช้แรงแล้วใช้แรงมาจนถึงสมัยพระเจ้าอาโศกนะฮะ สำไมไมัมพระเจ้าโศกตอนท่านเป็นจันทาโศกที่จะอโศกผู้ดุร้ายอยู่เนี่ยท่านนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้นะฮะท่านสร้างนรกขึ้นในโลกมนุษย์และมีคนหนึ่งโดยอันนี้มันเขี่ยมเกลียว ม, มากใจใจมัน่ะคือคราวหนึ่งในท่านจับโจรในห้าร้อยคนจับแล้วหาเพชะฆาตไม่ได้ไม่มีใครกล้าฆ่าคนห้าร้อยคนมันมากเกินไปแล้วก็เลือกโจรในหมู่โจร น, นะฮะ เลือกคนคนหนึ่งในหมู่โจรให้อาสาสมัครว่าใครจะอาสาเป็นเพชฌฆาตแล้วไม่ต้องรับโทษถ้าจะให้เป็นข้าราชการเลยไม่มีใครยอกมีคนหนึ่งเอาสมัครเลยฆ่าเพื่อนได้คราวแรกสีร้อยเก้าถึงเก้าคนเลยแล้วแกก็เขี่ยมเกลีย ม, มากเลยฆ่ามาจนเรื่อยจนต่อมาพระเจ้าอาโศกที่ตอนท่านกลับใจนะในอโศกอาวตารนี่เล่าไว้ว่าพระสมุทรเทระท่านไปบิณธบาต ท, ท่านไม่รู้ท่านเดินหลงเข้าไปในในในนรก ในโลกโลกมนุษย์อ่ะทันมันเหมือนกันเลยกับกับในพระสูตรที่ว่าเนี่ยพอเข้าไปโน้นก็ถือว่ามันได้พรจากพระเจ้าอโศกว่าใครก็ตามข้ามาตรงนี้แกมีฉิทธลงทันได้หมดเลลงทันจะลงยังไงก็เป็นเรื่องของแกพอพระสมุทตะเทระเข้าไปก็จับจะลงทันท่านเห็นท่าไม่ดีเลยท่านก็ขอร้องว่าขอเวลาเจ็ดวันท่านจะนั่งตรงเนี้ยลงทันยังไงขอเวลาเจ็ดวัน ต้องกูเริ่มเจริญกรรมฐานอย่างแรงเลยนะฮะไม่กินไม่นอนกันเลยเอาเอาให้ได้ถ้าไม่บรรลุก็ตายกันแล้วกันแต่ถ้าบรรลุได้ไม่แปลกตายก็ตายมันไม่แปลกอะไรพระอรหันต์นั่นไม่ได้เสียดายชีวิตอะไรนะอภรณนิทานไม่ไม่ครบเจ็วันถ้าบรรลุอรหันต์เป็นอรหันต์เพราะมันเอาลงทานมันทําอะไรไม่ได้เอาลงต้มในหม้อกระทะร่างกระท่าก็ลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนร่างก็ลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนเอาอะไรแบบครกเข้ามาตามตั้งก็หลุดขึ้นมาอยู่ข้างบนอีกทําอะไรไม่ได้เลย เออท้ายแกก็ตกใจนะคะก็วิ่งไปกราบทูลพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกมาเห็นข้าวพระสมุทรธาริราชท่านแสดงให้ฟังแต่งตามไป้ความเจ้าโศกก็เกิดตัณหาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็สั่งให้นิมนต์พระออกมานะทีนี้นิมนต์พระออกมามันก็ผิดก ฎ, ผ, ดกฎผิดกฎเพราะว่าใครก็ตามข้าไปนั้นต้องถูกลงทันหมดพระเจ้าโศกเองก็ไม่เว้นบางคนมันก็เห็นตรงดีในะนี่จริงๆอะ่ะใช้กฎหมายเป็นแต่มันเยีเ่ยมเกียดมากไปหน่อยนะ เอามาเป็นตำรวจบ้านเรากันดีรัะว่าเอาเฉพาะไ อ, คอนนะ้ความชื่อตรงกันนะฮะคามชื่อตรงแกซื่อตรงดีเหมือนกันนะสั่งยังไงทาอย่างนั้นเลยเขาเข้ามาแล้วก็ถือว่าลงทันก็ลงทันเลยผลท้ายพอพระเจ้าโศกจะออกนิมนต์พระออกมาแกไม่ยอมให้แกต้องเอาลงทันพระเจ้าโศกด้วยเพราะพระเจ้าโศกก็เข้ามานะทอเออะอะไรอะไ ร, รอปอปออะไรต่อะไรก็โดนหมด ยาวโศกเลยกรี๊วขึ้นมาเลยสั่งฆ่าหมดเลยตีนี่สั่งฆ่าในนี้เลยล้างนรกแล้วจะเห็นว่ามันก็เอาทันมาจากนั้นเอาทันมาจากนั่นไอ้ไอ้อมหาบิบากจากเรื่องที่ท่านแสดงในนรกมันก็แนวแน ว, แน ว, แนวแคล้ายๆกับอะไรละ่ะวัตเตอ์กีชาดกที่เล่าฟังมันก่อนนะฮะท่านจะเห็นว่ามันเรียนกันนะเรียนกันว่าเออนี่ไปฟังพระท่านพูดอย่างนี้พระเจ้าประเสนโอโกศลก็เอาไปรบ อ, อย่างนี้นั่นคือลอกเรียนจาก สิ่งที่ท่านพูดแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติพวกทันทรมานเหล่านี้แสดงว่าเขาลงโทษกันแรงนะเกินบางอย่างดูไม่น่าเชื่อว่าจะรอดนะเช่นเชนเาเรียกว่าอะไรนะฮะนุ่งสาลายคือทลกทลกหนังมาจากศรีรษะทลกลงมาก่อนแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะนะหรือบางบางบางทีก็สลกจากเะเอวแล้วก็ลากลงมาให้คล่อมที่ ท, ที่ที่ข้อเท้าอะบางคัไปวิ่งอามายังนึกว่าไม่ทันไม่น่าจะทันวิ่งน่าจะตายไปก่อน ดูแรงเลวเกิดบางอย่างเนี่ยบางอย่างก็ขอดก็เลยขอดสังเนี่ยหมายความว่าถ้าหลงนังศีษะแล้วเอาเอาหินมาขัดขัดที่หนังศีษะจนกว่าจะตายจนกว่าจะตายแรงมากเลยในนี้ปรากฏว่าแกก็เห็นเห็นทันทารามาตนนี้เคยเห็นแต่ไม่เคยคิดะจะพบว่าวิธีของพระพุทธเจ้านั้นทุกอย่างที่เราเขียนให้คิดเป็นธรรมะให้ได้ให้คิดเป็นธรรมะให้ได้ แลัความจริงเนี่ยเราจะลืมไม่จิตตุปบาทของความคิดที่มันเป็นธรรมะขึ้นมาเนี่ยมันขจัดกิเลสในส่วนของเขาเขาเกิดขึ้นมากเขาก็จัดกิเลสได้มากและทีนี้เราคิดได้บ่อยๆมันก็สะสมสะสมไป บ, บ, บ่อยๆก็คล้ายๆกับประมาธิที่จะเริญนนี่แหละบางทีมันก็ไม่ส ง, งบสักนิดนึงอนะแต่ว่าเก็บสะสมไปภายในจิตสํานึกของเรานี่แหละเก็บสะสมไว้บ่อยๆในที่สุดเมื่อแก่มากพอขึ้นมาเรานั่งเพิ่มเข้าไปแก่ก็ เกิดความสงบขึ้นที่เราเรียกว่าบารมีบารมีไม่ได้มาหมายความมาสร้างมาชาติก่อนนะสร้างมาชาตินี้สร้างกันในชาตินี้ก็เป็นบารมีเหมือนกันไม่จะว่าอะไรต้องชาติก่อนเอาบารมีในชาตินี้เพราะในแง่ของพุทธศาสนานนั้นการยอมรับกรรมเก่าอย่างเดียวก็ถือว่าผิดการยอมรับว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุภายนอกมีพระเจ้าพระอิศวรเป็นต้นบันดาลก็ผิดหรือว่าถือว่ามันเกิดจะบังเอิญก็ผิด แต่พระวิจ้ามองเป็นกระบวนกามองเป็นกระบวนของกรรมเลยทั้งหมดจะมาเป็นกระบวนบ้างอย่างมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากอดีตบางอย่างามันไม่เกี่ยวเนื่องไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอดีตแต่ว่าเป็นกรรมที่เราสร้างขึ้นใหม่ในชาตินั้นน่ยในชาติปัจจุบันจะไม่จะโยนให้อดีตกรรมไปหมดเพราะโยนให้อดีตกรรมไปหมดนั้นจะเกิดลัตที่จำนนนะฮะจะเกิดยอมจำนวนโอ้ยแลแ้วแต่กรรมแลแต่กรรมมันก็แลแต่ฟ้าดินน่ยมนุษย์ก็ย้อนกลับโลกดึกดำบรรพีก กาคิดว่าบางย้อนสู่โลกดึกดําบันไม่ได้คิดแก้ปัญหาใชเพาะหน้าเลยเรายอมรับอดีตกรรมมันมีจริงมันก็มีจริงนะแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมที่เคยพูดให้ฟังว่าองค์องประกอบที่ทําให้มันปัวตั ว, ต, วตัวแปรในการตัดสินของกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่สี่เรื่องนะคือคติหมายความว่าสถานที่ที่เราเกิดนะที่เราทํากรรมที่เราอยู่ที่เราทํากรรม สุขภาพภาพลานามัยของเราตลอดถึงคนที่เราไปปฏิบัติความดีด้วยนะแล้วการละการสมัยที่เราทํากรรมนะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็การตัวกรรมที่เราทำนะตัวกรรมคือสิ่งที่เราทํานั้นทําถูกกรรมไหมนะทําเกินกรรมไปไหมหรือว่าทําไม่ถูกอ่าไม่ถึงกรรมเนี่ยเรียกว่าทําดีทําดีก็ต้องถูกดีไม่จะทําดีเกินดีทดําดีไม่ถึงดีหรือทําดีผิดดี มันก็ไม่ได้ดีฮะต้องทําดีถูกดีจึงจะได้ดีทําชั่วก็เหมือนกันนะฮะทำชั่วก็ต้องถูกความชั่วเพราะฉะนั้นไอ้ท่านท่านดรารมานต่างๆที่เราพบเห็นเอ่อให้ลองสังเกตดูว่าถามใจตัวเองว่าเวลาเราเห็นเราคิดยังไงบางทีเราก็สงสารนะสงสารเขาแต่ไม่นึกถึงเราใช่ไหมเราก็ไปได้แต่บางคนเออไอ้สมหน้าหน้ามันไห้มันติดคุกไอ้พวกนี้มันก่อกวนดีนะหาเรื่องเอากเกลียสใส่ตัวเองแล้วเอาเรื่องเรื่องดีๆ เอากิเลสโออะไรปฏิฆะขึ้นมาใส่ตัวเองอย่างน้อยที่สุดนะฮะไม่ให้เดือดร้อนอะไรเราก็สงสารก็ยังดีกว่าถึงแม้จะไม่น้องก็มาหาเราแต่ไปซ้ําเติมอะไรเขาเนี่ยเห็นก็ติดคุกถูกทรมานเออไอนี่มันประหารีะได้ก็เดีอ่มันก่อเกวืวนะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นเราจิตในคณะมันมเกิดโทสะมันเกิดเป็นปฏิฆะขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาทําอะไรก็ไม่รู้มันหารเรื่องปเปล่าๆนี่จะจะเห็นว่าโดยสภาพจิตแล้วคนจะเปลี่ยนไปในทางที่เห็นธรร คือมองเห็นว่าเนี่ยที่จริงมันเป็นผลทานั้นเองแล้วผลอันนี้เกิดขึ้นแก่ใครก็ได้คุกตารางใครเป็นคนสร้างนะคนเป็นคนสร้างคนสร้างเพราะอะไรเพราะกรรมของคนเป็นคนสร้างขึ้นนะคุกต้องแบ่งอย่างนั้นมีทันทสถานเปิดมีสําถถ บ, บัดพิเศษมีมหารแต่โทษมีอะไรอะไรละหูโทษเนี่ยคือกรรมที่คนทําเนี่ยมันต่างกันนะกรรมที่คนทําต่างกันมันก็แบ่งคุกให้ต่างกัน ไม่ใช่ว่าจะโอคุกเดียวกันนรกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่านกนรกนั้นไม่ได้มีอยู่โดยธรรมชาติถ้าหาวก็ไม่มีสัตว์ไม่มีสัตว์ที่ทํากรรมเราต้องต้องไปเกิดในที่นั้นเมื่อเมื่อสัตว์ทํากรรมไปเกิดไปเหตุไปเกิดในที่นั้นมันก็มีนรกขึ้นมาด้วยแรงของกรรมที่คนก็ทําเอาไว้แล้วก็มีความหนักมีความเบาแตกต่างกันกับทุกขั้นตอนนะฮะ ดังนั้นเวลาพบเห็นความพิบัติเพราะกรรมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้เราลองสังเกตนะคนที่ประสบความเดือดร้อนเพราะกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทำอุเบกขาในชั้นทั่วๆไปนะฮะ ใ, ในชั้นทั่วๆไปเพื่ออะไรเพื่อระวังกิจย้ายยินดีก็ยินได้ถ้าเรายินดีแสดงว่าเราไปซ้ําเติมคนที่ประสบผลกรรมจิตใจเยี่ยมเกลี่ย ม, มากแต่เราเศร้าโศกเสียใจเรียกว่า มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได้ในชั้นนี้ชันช้นชัน้นชั้นชั้นชั้นสามัญจึงสอนในชั้นสามัญชั้นหลักใจสอนให้อยู่ด้วยพรหมวิหารแต่ว่าชั้นนี้สอนเรื่องระดับมานาติการสูงขึ้นไปอีกคือพิจารณาให้มองเห็นโทษที่เป็นเหตุให้ถูกลงอาญาเหล่านั้นมองเห็นตัวกรรมที่เป็นเหตุให้ลงอาญาเหล่านั้นแล้วมาเอามากลับกลับม า, ม า, ม, ามาแก้ที่เรา มองจากนอกมาแก้ที่เรานั้นคือระบบการศึกษาแนวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเรียนจากเราเป็นหลักให้เราสังเกตนะฮะจิตประทานทีที่เรียนจากเราเป็นหลักเลยมีตัวเดียวฮะมีอะไรป่าช้าก้าเรียนข้างนอกป่าช้าก้าเรียนข้างนอกแต่น้องก็มาหาเราโดยหลักแล้วจะเรียนจากเราทีนี้พอเรียนจากเราแทนที่จะพเรียนจากข้างนอกแล้วไม่ใช่เรียนไปที่คนอื่นนะพอเรียนจากข้างนอกแล้วกลับมาหาเราอีก มาดูที่เราอีกทุกขั้นตอนไม่ว่าอะไรอันตานังอุปมังกตวา่าทําตนเป็นอุปมาก็ตามนะฮะเรียนจากข้างนอกก็ดึงกระหมาเราหรือเรียนจากเราดึงไปข้างนอกแต่ว่าต้องการให้คนรู้แจ้งเข้าใจในปัญหาของชีวิตตลอดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มองผลอะไรล่ะอันนี้มันเกิดมาจากเหตุอะไรล่ะเหตุนี้ผลที่ดีเนี่ยมันผลที่เกิดเนี่ยมันน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาถ้าผลไม่น่าปรารถนา เหตุมันเป็นอะไรนะก็ไปแก้ที่ตัวเหตุและเหตุเหลนั้นอาจจะเราเป็นคนสร้างขึ้นมาได้ตอนนี้นายคนนี้สร้างแกก็ติดคุกอย่างนั้นวันหลังเราอาจจะสร้างเองเราก็ไม่สร้างได้เลยเพื่อไม่ต้องการผลเพื่อไม่ให้ผลเหล่านั้นมันเกิดขึ้นนี่ก็คือสอนให้มองดูคนติดคุกเพก็เป็นเทวทูตอย่างหนึ่งนะฮะแต่เราจะพบว่า เ, เวลาถามแล้วมันช่วยอะไรไปได้เลยอะก็ไม่เคยคิดอะ ความคิดแม้แต่ความคิดมันเป็นกุศลอย่าลืมนะความคิดที่มันเป็นกุศลน่ยความคิดคิดอย่างเดียวเป็นกุศลแล้วที่จริงไอ้ตัวคิดตัวใหญ่ที่สุดนะความคิดเฉยๆไม่ต้องไปลงมือลงแรงอะไรไปเห็นคนเขาติดคุกถู ก, ถกทรามานคนเจ็บคนป่วยคนแก่นะเด็กคนเกิดเนี่ยคิดให้มันมีเหตุมีผลคิดในสร้างสรรพัฒนาจิตใจมันก็เป็นเป็นเป็นเป็น เครื่องหล่อเลี้ยงนะฮะเป็นปฏิสาระโนคือประกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของเราในะการที่จะป้อง ก, กันเราแม้ตกนรกได้นะไม่ใช่ธรรมดานะฮะจะธรรมดาทีทีเดียวเลยไม่ต้องลงแรงอะไรเลยนะฮะตอนนี้จริงคิดอ่ะคิดไม่มีเหตุไม่มีผลทำยังไงที่ละสามารถบรรเทาไอความรู้สึกรุนแรงของกิเลสต่างๆลงไปได้ต่อไปก็เรื่องความตายนะฮะมองเห็นคนตายก็อีกหละก็เคยคิดที่จะนึก เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันก็จะจบลงด้วยอย่างนี้ไหมคนนี้เขาเกิดมาแล้วก็ดำรงอยู่แล้วก็ตายไปแล้วเราเองในโอกาสต่อไปก็ต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้บ้างไมค์เคยคิดแคก็ไม่เคยคิดอีกอ่ะไม่เคยคิดเลยนะฮะส่วนมากอะไรเราโดยทั่ ว, วๆไปก็คิดถ้าคนตายคนทั่วๆไปที่เราไม่เกี่ยวข้องเราก็อาจจะกลัวผีอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถ้าเราเกี่ยวข้องเราก็โศก ถ้าไม่ใช่เราไม่เกี่ยวข้องมางทีก็เฉยๆถ้าเป็นศัตรูตเราก็ดีใจเห็นไหมเห็นไหมคือคือคื อ, คอเอาขาจิงมันไม่เข้าทางตักทางหนึ่งอ่ะไม่เข้าทางตักทางหนึ่งทางหนึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่พอดีมันคนตายอยู่รากกันเราเราก็าชักจะปลอดปออดกลัวผีถ้าคนเป็นที่รากของเราเราร้องไห้เราเสียใจยคนที่เราไม่ชอบเราก็ดีใจ ตายจะได้รักทีแผ่นดินถูกไม่ข่าทางเลยนะค่าทางนี่ไม่ค่าทางเลยนะสาความคิดตอนนี้ไม่ข่าทางเลยคิดยังไงนะ่ะฮะเอวังธรรมโอเอวังปาวีเอวังอนาทตโตคิดแล้วก็ไม่ประมาทว่าเออเราเนี่ยมันคงจะต้องตายเนะี่ยจะทําให้กระตุ้นตัวเองว่าเวลาข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยเวลาข้างหน้าอย่างน้อยออท่านอุปมาเหมือนกระไร้เหมือนกับคนคว้านเชือกเคว้านเชือกไปเรื่อยๆออแล้วมันเชือกมันจะหมดไปเรื่อยๆ จะหมดไปไปเรื่อยๆหรืออุปมาท่านท่านอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับ ไ, ไอ้คนนึงคว้านเชือกอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็เชือกมันก็ไหลลงข้างล่างนะคว้านด้วยหนังอ่ะแล้วก็หมามันมีกินเชือกอยู่ข้างล่างมันก็หมดไปด้วยโดยลําดับชีวิตคนก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็หมดไปโดยลําดับข้างหน้านะั้นมีน้อยลงนะที่ทุกวันก็ใช้คําดีเขาเรียกว่าสาวน้อยสาวน้อยคือแก่มากขึ้น แก่มากขึ้นแสดงความสาวมันเริ่มจะน้อยลงและความแก่เริ่มมากขึ้นชีวิตมันก็ใกล้าตายมากขึ้นที่จริงไอใกล้าตายมันก็ใกล้าตายพอๆกาันแหละแต่คนแก่นั้นมันชัดกว่าคนหนุม่มคนสาว ส, าวส่วนมากอาจจะเกิดเพราะอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนฮะแต่ว่าตายตามธรรมดาของสังขาร น, นั้นคนแก่ก็ภาพนี้ก็ชัดกว่าเพราะงั้นเมื่อ <c oughs> เห็นคนตายคนตายนี้ที่จริงอย่างอย่างอะไรนะฮะ ยังคาถาบางสกุลเป็นสกุลเป็นในตอนท่านสอนดีมากนะฮะอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัตวิงอาิเสษสติจากนอนจากล้ม ล, ลงเหนือแผ่นดินนะฮะจุดเดออะเปตวินญาโนจุดโดอเปตวินญาโน พอวิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตถังวะกะลิงกละงังก็เหมือนกรท่อนไม้มกะ็ะตอนไม้ท่อนหนึ่งอะเพื่อนจะเอาไปทําอะไรก็ได้เนีย่ยหักขาไอพวกข้าวโกดิ้งเพื่อนหักขาใหญ่เลยเบ่งเงพวกนั้นใหญ่ใหญ่อะตอนนั้นว่าข้าวโกดะเพื่อนหักขาบทีเอาขาไว้ข้างบนอะตัดตรงเนี้ยตัดตรงเนี้ามาอย่างไงยังไ ง, ง, ไงก็ไม่อยู่ให้ถึงโกวดอ่ะเราจะเห็นว่าเนี่ย เ, เป็นท่อนไม้อะ่ะมันก็แล้วแต่ใครจะหักจะดัดจะทํำยังไงไห ดีมากนะฮะลองดูสี่อะไรล่ะสองบาทอ่ะสองบรร ท, ทัดร่างกายนี้ไม่นานหนอะจากล้มลงเหนือแผ่นดินเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็เหมือนท่อนไม้เนะี่ยไม่มีสาระอะไรนี่รัฐถังว่ากะลิงกรลังอ่ะเกลือกลืทอท่อนไม้ที่ไม่มีสาระแหละกลิ่งไปกิ่งมางนั่นเองแล้วแต่ใครจะทําอะไร อ, อนุสติวิเศษมากเลยนะ แต่พอดีพระก็ไปว่าบาหลีนะฮะโยมก็กลัวจะหนีตายคือโยมแทนที่จะคิดถึงความตายบางตะกุลเป็นนะกลัวตายนะบางตะกุลเป็นเพราะกลัวจะตายแทนที่จะมาคิดว่าเออมันก็น้อมนึกขึ้นมาเ ล, เลยเราไม่ได้ประโยชน์มันได้ในรูปพิธีกรรมแต่ไม่ได้ประโยชน์จากอนัสติเหล่านี้นะที่จริงก็เพิ่มเป็นภูมิต่านทานตัวเองเผื่อเหนียวเอาไว้ได้เยอะนะฮะหรือว่าอะไรล่ะคาถาบางสกุลน่ย กถาบางแต่คุณนี่คือคือชาวพุทธเรามันมีปัญหาเยอะเราไปมองว่าแบ่งเป็นมงคลกับอัปมงคลประสศุนนั้นอัปมงคลพระศุนนี้อัปมงคลใครบอกมงคลนั้นี่ยธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าสัจธรูมเป็นอัปมงคลได้ยังไงกุศลธรรมากุศลธรรมอปยากตาธรรมานไม่ได้ตัวไม่น่าอัปมงคลพระไปบ้านสี่องค์ก็ไม่ได้อัปมงคลว้ยุ่งจังเลยพระสี่องค์เป็นสงฆ์อะ ครับองสงทำไมเป็นอัปมงคลทำไมก่ใช้ได้ทุกอย่างนะฮะพระสีองค์ในทํา ง, งานได้เป็นสังฆกรรมแล้วเป็นสงแล้วถ้าจะถวายทานก็เป็นสังฆทานแล้วไม่ได้พระมาสีองค์บางทีบ่โดนอีแรงลงแล้วไปเยี่ยมคนป่วยก็ไม่ได้ถ้าสี่องค์นี้ก็ถือเป็นอัปมงคลกลายพระจะมาสวดอะไรไม่รู้รุนรังไปหมดเลยคือคือมนมันเป็นเรื่องรายสารานี่เราไม่ได้สมัมมนากันทักทีว่าอะไรที่เอามาเที่ยวแขวนไว้ห้องรุนรังไว้หมดเลย รเราจะพบว่าอนิจจาวตสังขาราเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวยะธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตวาเนรจจจติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต้งไงเตสังโมปัจโมสุมสขโขจิตที่เข้าไปสงบระงับในสังขารทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากเกินไปน่ะเป็นสุขนะแต่เป็นเตสังโมปัจโมสุมสขโขมันถึงนิพพานนะเราไม่ต้องเอาถึงนิพพานก่อนมันสงบสังขารนั่นน่ะตายก็ตาย วันนี้ไปก่อนก็แล้วกันวันหลังจะตามไปก็เท่านั้นจัดการงานศพไปมันร้องไห้เสียเวลาเปล่เนี่ยเราเราจะเห็นว่าดีทั้งสอ ง, ส, องสีบ่บรรทัดเนี่ยนะสีบ่บรรทัดเนี่ยบางถ้าคุณเป็นสองบรรทัดบางต้องคนตายสองบรรทัดแต่ของเวลาพระธรรมยุทธ์เขาว่าเราจะเห็นว่าเราก็เพิ่มอัสเบสตามาริสันตีนะฮะศาตร์ตั้งหลายทั้งสิ้นจากตายไปเพิ่มใข้าไปเพิ่มเข้าข้างหลังอีกทีหนึ่งก็เป็นอนุสติแต่ที่เนี่ยฮะมันก็อยู่ที่ สเบสตามรันติจ่ะนะสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะตายมาริงสุจะมาริสเรนะฮะมาริงสุจะมาริสเรคือจะตายแล้วก็ตายไปแล้วก็คือว่าตายกันอยู่เงี้ยมันก็นหลายตายกันเนี่ยฮะตาเทวาหังมาริซามินัตทีเมเอตสังสยโยเออไ อ, อ, เอความสงสัยในความจริงหล่เนี้ยของเราก็ไม่มีไม่สงสัยนะฮะ แต่ว่าพระก็ติแต่แค่บางตะกุลแล้วก็ดึงผ้าตะบงเอาเยียมถวายแล้วกลับไปที่กุฏิก็ไม่ได้คิดอนุสติอะไรกันเลยเยียมก็ฟังๆไปอย่างนั้นมันเป็นพิธีไปหมดอ่ะจริงๆเราไปไปงานศพนี่ได้เทวทูตเยอะเทวทูตนี่เห็นอยู่ทั้งหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เทวทเาธูตตอนนั้ น, นเป็นประโยชน์ดังนั้นพระธรรมเทศนาสุดนี้จึงกระตุ้นว่าเราเรียนธรรมะเราสร้างธรรมะได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่เห็นภาพทั้งสี่ภาพเนี่ยคือเด็กเกิดใหม่ๆเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บเห็นนักโทษแล้วก็เห็นคนตายเนี่ยเป็นทางที่จะปิดนรกได้ทั้งหมดเลยข้อสำคัญว่าเมื่อเห็นแล้วอย่านึกในแนวประมาทให้เรียนบทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทําตนอยู่ด้วยความไม่ประมาททนั้นวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามพัยบุในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเชิ